ห5 5้าบห้าพุทธพจน์ที่ยืนยันถึงความเสื่อมของพุทธอีกสามข้อข้อที่สองดูกระอัมพัท ธ, ธะอีกข้อหนึ่งสมณพรามบางคนในโลกนี้เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้ ไม่สามารถที่จะหาผลไม้หล่นบริโภคได้ถือเสียมและจะกร้าเข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจากบริโภคเง่าไม้รากไม้และผลไม้สมณพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะโดยแท้นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่สองข้อที่สดุกระอัมพัทฐะอีกข้อหนึ่ง สมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมไม่สามารถจะหาผลไม้หล่นบริโภคได้และไม่สามารถที่จะหาเงาไม้รากไม้และผลไม้บริโภคได้จึงสร้างเรือนไฟไว้ใกล้บ้านเรือนนี้คมแล้วบำเรอไฟอยู่ สนาพรามนั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะโดยแท้นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่สข้อที่สดูกระอัมพัฒนาอีข้อหนึ่งสนาพรามบางคนในโลกนี้เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ ไม่สามารถจะหาเง่าไมา้รากไม้และผลไม้บริโภคได้และไม่สามารถบำเรอไฟได้จึงสร้างเรือนมีประตูสีด้านไว้ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งแล้วพำนักอยู่ด้วยตั้งใจว่าผู้ใดที่มาจากทิศทั้งสีน่นี้จะเป็นสมณะหรือพรามเราจากบูชาท่านผู้นั้นตามสติกำลัง สมณะพรามนั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่สี่ดูกระอัมพัทถะอีกข้อหนึ่งทางเสื่อมแห่งวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้มีอยู่สี่ประการนี้ นี้เป็นคำพยากรณ์ของพระบรมศาสดาของศาสนาพุทธที่อุบัติขึ้นมาในยุคที่ศาสนาต่างๆในยุคนั้นมีการปฏิบัติอยู่อย่างใดพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าต่อไปสมณพราหมณ์ในศาสนาพุทธก็จะมีความเสื่อมไปปฏิบัติอย่างที่ศาสนาต่างๆ ที่เขาเป็นเขามีตามที่พระพุทธเจ้าตรัสทั้งสี่ประการนั้นแหลซึ่งล้วนเป็นการปฏิบัติที่เป็นความเสื่อมทั้งสิน้นและสมณพรามณ์ของพุทธก็จะเสื่อมไปหมดตามลำดับของความเสื่อมทั้งสี่ประการนั้น